ค้าแห่งเวนิสในเมืองที่งดงามของเวนิสมีพ่อค้าที่ร่ำรวยคนหนึ่งชื่ออันโตนิโอไงอันโตนิโออ้าวไม่เจอกันนานเลยนะเนี่ยแล้ว เ, เตรียมงานแต่งงานเป็นยังไงบ้างละ่ะใช่ล็อกท่าน ข้าจะจ่ายคืนพรุ่งนี้นะข้าสัญญาเลยตกลงแล้วก็คือตกลงสัญญาต้องเป็นสัญญาแกสัญญาว่าจะจ่ายเงินวันนี้และทำเบี้ยวแกสัญญาว่าจะให้ร้ายของแกแก็ขค่าแกไม่่ายเงินร้านเนี่ยต้องเป็นของข้าตามที่สัญญาไว้ฉันจะกู้เงินเพียงห0สิบดักเค็ดร้านค้าของฉันเนี่ยมีค่ามากกว่านั้นเยอะแยะเลย แกน่าจะคิดมันก่อนที่แกจะมาสัญญาจะให้ร้านแก่ฉันออกไปให้พน้นใชยล็อเดี๋ยวก่อนนะนี่ห้าสิบดักเค็ที่มาคนิโอติดหนี้ท่านไม่ทำไมฉันต้องเอาเงินนายมาเคนิโอสมควรที่ต้องจ่ายวันนี้และยังไม่หมดวันนี้นี่ใช่หรอพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินเลยนี่เงินคืนร้านเข้าไปซะ มิฉนั้นฉันจะรายงานคุณต่อศาลนะเฮ้เอาก็เอาอันโตนิโอขอบคุณมากนะอันโตนิโอฉันจะตอบแทนคืนให้นายพรุ่งนี้ฉันสัญญานายทาไม่ได้หรอกเมอร์เคนิโออันโตนิโอนายทำอะไรใช้ล็อกชั่วร้ายนั่นต้องเกลียดนายแน่นอนเลยลืมเขาไปก่อนนะ แล้วการเตรียมงานแต่งของนายเนี่ยไปถึงไหนแล้วล่ะเออมันกำลังไปได้ดีอะยังไงก็ขอบคุณนะขอบใจมากมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่ทุกอย่างโอเคนายกับฉันเป็นเพื่อนกันนะบอกมามีปัญหาอะไรแล้วฉันนึกว่าจะได้เงินสัปดาห์นี้นะสีแต่มันก็ยังไม่ได้อะต้องรอไปอีก5าเดือนเป็นอย่างน้อยอะและฉันก็ซื้อของมาเตรียมไว้แล้วอะเงินไม่พอ เท่าไรละสามพันดักเค็ดน่ะนั่นมันเยอะมากแล้วนะฉันรู้ฉันซื้อแหวนสำหรับพอเชียแล้วเราต้องจัดงานเลี้ยงสำหรับคนจนกว่าห0 0อคนแล้วยังต้องมอบของจำรวยพวกเขาในงานแต่งอีกนั่นเยี่ยมไปเลยฉันจะให้นายยืมเองนะแต่ตอนนี้ฉันยังมีไม่ถึงพันดัเค็นะเรื่องของฉันเนี่ยจะกลับมาอีกภายในสามเดือน ตอนนั้นฉันจะมีเงินหลายพันดักเค็ดเลยล่ะมันน่าจะไม่ทันแล้วงานแต่งงานเนี่ยจะจัดขึ้นอาทิตย์หน้าฉันพอจะมีความคิดแหละมากับฉันสิโอ้อันโตนิโอเจ้าอันโตนิโอนั่นถ้ามันไม่เข้ามายุ่งฉันคงได้ร้านขามูลค่าหลายร้อยดักเค็ดจะเงินเพียงห้าสิบดักเค็แล้วชอบมายุ่งกับฉันจริงๆฉันต้องจัดการแกอันโตนิโอ ลอ็อกไม่นะอันตโตนิโอฉันไม่ยอมให้นายไปยืมเงินจากใช้ล็อกแน่นายก็รู้เขาขี้โกงรอฉันแค่อีกสามเดือนเท่านั้นพอเรือฉันกลับมาแล้วเนี่ยฉันจะมีเงินจ่ายส0 0พัดักเค็ได้อย่างง่ายๆเลยละ่ะใชลอ็อกอันตโตนิโอฉันอยา ก, กู้เงินสักหน่อยนะึงนาย นายเป็นคนบริจาคเงินเพื่อทำลายธุรกิจของฉันนายต้องการเงินอย่างนั้นเหรอนายเล่นไม่แฟรนีชัยล็อกนายรู้มันเต็มอกฉันอยากยืมเงินสามพันดักเค็ดสามพดักเค็เหรอเฮ้ยนี่เป็นโอกาสที่ฉันจะได้จัดการอันโตนิโอและทําให้มันทดใช้ทุกอย่างที่มันดูถูกและทําลายแผนการของฉันก็ได้ฉันจะให้นายยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ยถ้าหากว่านาย ไม่จ่ายฉันตามกำหนดภายในสามเดือนทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของนายต้องตกเป็นของฉันอย่างแน่นอนวางไงนี่มันโคตรกวงเลยใช้ล็อกอันตนี้ออไปกัะเถนหน้าไม่ต้องห่วงนะเรือของฉันจะกลับมาในอีกสามเดือนพวกเขาเริ่มออกจากแอฟริกาแล้วเราไม่ต้องกังวลอะไรนายต้องการเงินตอนนี้เพื่อน ได้ฉันตกลงบัซานิโอกังวลแทนอันโตนิโอเขารู้ว่าชยล็อกไม่น่าไว้ใจแต่อันโตนิโอก็ดูมั่นใจชยล็อกให้เงินาพันดัตช์เคดแก่เขาบัซานิโอก็เริ่มแผนงานแต่งของเขาต่อไปได้บาซานิโอแต่งงานกับหญิงสาวที่งดงามและชาญฉลาดาชื่อว่าพอเชียเขามอแบแหวนที่สวยงามให้กับพอเชีย เขาต้องการร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเธอพอเชียร์และพาโซนิโอแบ่งปันความมั่งคั่งของเขาแด่คนจนพวกเขาจัดงานเลี้ยงและมอบของจำรวยแก่คนยากจนขอบคุณมากนะอันโตนิโอถ้าไม่มีนายเนี่ยมันคงไ ป, ไปไม่ได้อะไม่เอานะเพื่อนฉันจะไม่ช่วยงานแต่งงานที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ได้ยัยงไงกันเล่าไม่จริงๆแล้วเนี่ย พอเชียอันโตนิโอยอมเสี่ยงทุกอย่างของเขากับชัล็อกชั่วร้ายเพื่อมอบเงินสามพันดักเค็แก่งานแต่งของเราอะไรนะคุณปล่อยให้เขาทําแบบนั้นเหรอบาซานิโอไม่เป็นอะไรนะทั้งสองคนเพอเรือฉันกลับมาแล้วเนี่ยฉันจะมีเงินมากมายเลยเละ่ะหลายเดือนผ่านไปบาซานิโอและพอชียมีความสุขมากและอันโตนิโอก็เปรียบเสมือนคนในครอบครัวไม่นาน ถึงเวลาที่安น尼นโอต้องใช่นี่แก่ชัยล็อกนายท่านมีหมายศารมาถึงนายท่านนะครับอะไรกันเนี่ยอะไรเงเหรอคืนชัยล็อกต้องการให้ฉันไปที่ศาลในวันพรุ่งนี้ในฐานะที่ฉันเนี่ยพยายามเบี้ยวหนี้เขามันครบกาหนดแล้วเหรอเนี่ยฉันมั่นใจว่ายังเหลือเวลาอีกหลายวันเลยก่อนจะถึงวันที่ต้องคืนเงินะ โทษด้ครับนายท่านแต่ขอพูดอะไรได้ไหมอ่ะได้สิริบัสอะไรเงั้นเหรอนายท่านหลอดไทล็อกเนี่ยอาจรู้วันที่ในสัญญาก็ได้นะแล้วก็อาจจะเปลี่ยนจากวันที่18เป็นวันที่8ก็ได้ครับนายท่านอะไรนะเดี๋ยวก่อนคุณจับเขาแบบนั้นไม่ได้นะเข้าต้องรายงานต่อศาลในวันพรุ่งนี้ และหลอดช้ล็อกทันเดอร์ต้อการจับเขาเพื่อแม่เขาหนีไปไหนอันโตนิโอโอเกิดอะไรขึ้นมีพายุในทะเลงั้นเหรอเรือของอันโตนิโอใช่แล้วเรือเขาแต่ชัยล็อกไม่ร้อยถึงวันอื่นแนะ่และด้วยหมายสารนี้เพื่อของฉันต้องไม่รอดแนะ่ ไม่ฉันไม่ยอมให้อันโตนิโอเป็นอันตรายแน่ไปหาเขาบาซานิโอไม่ต้องบอกเขาเรื่องเรือพายุไม่ต้องพูดอะไรเลยถึงเวลาที่ชัยล็อกต้องได้รับบทเรียนแล้วฉันจะไปที่ศาลด้วยตัวของฉันเองในฐานะทนายของอันโตนิโอโออย่างไงอะแค่ไปอยู่เป็นเพื่อนเขาไม่ต้องบอกอะไรนะไม่ต้องห่วงฉันจะไม่ยอมให้อะไรก็ตามเกิดขึ้นกับเขาแน่ไม่แน่นอนอ่ฉันเชื่อคุณ วันต่อมาอันโตนิโอถูกนำตัวมาที่ศาลต่อหน้าผู้พิพากษาจุภาพบุรุษเรามีคดีอะไรที่นี่หลอดชัยหลอกทันเดอร์พิพากษ์กับอันโตนิโอบาซิลัสการไต่สวนเริ่มได้กรณีนี้ไม่ยุ่งยากศาลที่เคารพอันโตนิโอติดหนี้ฉันสามพันดักเคนและตอนที่เขายืมเงนินเขาสัญญากับฉันว่าหากไม่คืนเงินในวันนี้ทุกอย่างที่เขาครอบครองอยู่ ต้องตกเป็นของข้าเขาโกงมาที่ในสัญญาสารที่เคารพเงียบนะคุณทันเดอร์ช่วยแสดงสัญญาให้ดูหน่อยนี่ครับสารที่เคารพแต่แ น, น่นอนคุณทันเดอร์ทรัพย์สินของคุณอันโตนิโอมีค่ามากกว่าสามพันลักเคททาไมคุณไม่ลองยึดแค่บางอย่างที่เป็นไปตามจํานวนข อ, อโทษสารที่เคารพอันโตนิโอเซ็นชื่อเองในสัญญา ข้อตกลงก็คือข้อตกลงสัญญาเนี่ยต้องเป็นสัญญาคุณอันโตนิโอคุณเซนชื่อในสัญญาที่ประหลาดแบบนี้ได้อย่างไรกันคุณทันเดอร์การพิจารณา t h i มันไร้มนุษยธรรมศาลที่เคารพมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ผมขอให้เกียรติของสัญญาที่อันโตนิโอทาขึ้นมาและให้เกียรติในคาพูดของเขาคุณชัยล็อกพูดถูกศาลที่เคารพ คุณ安东尼โอต้องได้รับเกียรติของสัญญาที่เขาทำเอาไว้คุณทันเดอร์ตามสัญญาหากคุณ安东尼โอไม่ใช่นี่คุณภายในวันนี้ทุกอย่างของเขาจะต้องตกเป็นของคุณใช่หรือเปล่าใช่แล้วและคุณไม่ต้องการพิจารณาคดีอีกครั้งใช่ไหมไม่แล้วตกลงคือตกลงสัญญาต้องเป็นสัญญาสิงั้นดี สารที่เคารพความสูญเสียทางทะเลนั้นที่เกิดขึ้นกับคุณอันโตนิโอมันจะกลายเป็นของคุณทันเดอร์ค่ะสูญเสียทางทะเลใช่แล้วไปดูด้วยตัวเองเมื่อมันมาถึงเย็นนี้มีพายุ ข, ขนาดใหญ่ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนในเส้นทางเรือของเขาเนะี่ยเขาต้องแบกรับความสูญเสียทั้งหมด อาจจะตีราคาเป็นเงินราวสองหมื่นดัต์คตไม่แน่นอนไม่มีทางเมื่อคุณบอกว่าทุกอย่างของคุณอันโตนิโอเป็นของคุณมันก็ต้องรวมทั้งผลกำไรและการขาดทุนทั้งหมดที่เป็นของคุณอันโตนิโอด้วยเช่นกันนะนี่เป็นการกองสารที่ขอรบตกลงคือตกลงสัญญาต้องเป็นสัญญาท่านนายพูดถูก คุณต้องยอมรับการขาดทุนทั้งหมดของคุณอันโตนิโอจะให้อภัยเขาแค่เงินสามพันดักเค็ดแต่ไม่ต้องการเงินคืนแล้วก็ทำํทำตามสัญญาเท่านั้นพอได้แล้วนะ่าคุณทันเดอร์พฤติกรรมของคุณพิสูจน์ว่าคุณต้องการทําสัญญาในที่แรกทั้งที่รู้ว่ามันไม่ยุติธรรมนี่แสดงให้สงสัยเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และความซื่อตรงของคุณดังนั้นเนี่ย สารขอตัดสินไม่คุณทำสัญญาใดๆจนกว่าจะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดนะพาเขาไปเจ้านาที่เรือของฉันหายไปในทะเลมีพายุในทะเลกลับบ้านฉันก่อนเทนานะอัตโเน โ, นโอนายต้องพักผ่อนนะอันโตนิโอเศร้ามากเมื่อได้ยินว่าเรือหายไปในทะเลบสซานิโอพาเขากลับมาที่บ้าน ฉันสูญเสียเรื่องของฉันนะใช่ฉันเกรงว่าแล้วหัวรอกทำไมเนี่ยรอฉันเดียวนะอันโทนี่โอ้มา ส, สันโยใครคือทนายใครมาที่ศาลและปกป้องฉันนะนายอยากเจอเขาใช่ไหมนี่เขาเธออยู่นี่พอเชียคุณเหรอเนี่ยใช่แล้ว และเสียใจด้วยกับการสูญเสียของคุณน่ะคุณสองคนเป็นอะไรไปเนี่ยหัวเราะทำไมล่าฉันเสียเรือทุกลำของฉันไปไม่คุณไม่ได้เสียอะไรทั้งนั้นเล่นแหละพายุที่รุนแรงเข้าปะทะชายฝั่งของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเมื่อเวลาสิบห้านาฬิกาอย่างนั้นเหรอนี่เป็นเพียงข้อความแค่ครึ่งเดียวอีกครึง่งมันอยู่นี่แต่ไม่ต้องห่วงคุณอันโตนิโอ พวกเราได้ออกมาจากที่นั่นตั้งแต่15นาฬิกาก่อนที่พายุจะเข้าเรือทุกลำของคุณปลอดภัยเรือของคุณจะถึงเวนิสในวันที่20เดือนนี้แต่เราให้ชัชล็อกดูจดหมายเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นผู้พิพากษาคางต้องการสอนบทเรียนให้แก่ชัชล็อกและเขาจะไม่พูดอะไรตอนที่ฉันแสดงข้อความเพียงครึ่งเดียวชยล็อกคงไม่กล้าพูด ตกลงคือตกลงสัญญาก็เป็นสัญญาพอเชียเพื่อนของฉันเนี่ยช่างเป็นชายที่โชคดีที่สุดที่ได้แต่งงานกับคนที่ชาญฉลาดกล้าหาญและมีความชอบธรรมเช่นคุณขอบคุณนะ